الحمد อความสติความจำเริญจากอง์ุานัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับท่านดุิลลวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องยังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับใน รายการวิยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ า, เ, าเราทุกคนนะครับได้มีความตระหนักแล้วก็มีความตั้งใจที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเรานะในวันแห่งการตอบแทนซึ่งเราก็ใช้สื่อแลวก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในวันนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับใน ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับคำตูดีล่านะครับก็เน้นย้ํานะครับว่ากุรานนะฮุะรานที่เราจะต้องหรือคุรานที่เป็นวะยูนะครุรานที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานนะให้กับท่านอับดุลเลาะห์สัลัลฮิะวะสัลลัมนะมาถึงพวกเราวันนี้นะครับก็คือเป็นธรรมนูญเป็นทางนําและเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับเราจะต้องภูมิใจและเราจะต้อง อบอกตัวเองเสมอนะครับว่ากุรอานกับเรานะครับมันไม่ใช่อยู่กันคนละทิศคนละทางแต่กุรอานกับเรากับผู้ศรัทธาเป็นสิ่งหรือเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะให้เรารู้ว่าทำไมที่เราบอกว่าเป็นธรรมนูญทำไมที่เราบอกว่าเป็นทางนำและทางรอดก็นั่งเนื่องจากว่ากุรอานจะต้องเป็นสิ่งที่จะนำพาเป็นวิถีชีวิตของเรา เป็นไกด์ไลน์ให้กับเราเป็นเข็มทิศของชีวิตเราให้ได้นะครับครับพื่นแล้วครับเรากลับมานะในซุร้ออัลกอซซนะครับวันนี้ต่อเนื่องในอายะที่14นะครับที่เท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้บอกว่าพระองค์ได้นําให้นบีมูซากกลับสู่อ้อมกอดของอแม่นบีมูซารหลังจากที่ ได้มีการฮิดายะหรือการบอกให้ให้นบีบูซาโยนนบีบูซาไปในแม่น้ํานะครับแล้วก็ให้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นก็คือสิ่งที่สัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลานะครับเพื่ออะไรละครับเพื่อให้แม่นบีบูซานั้นได้มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงเสมอแต่ส่วนใหญ่มนุษย์นั้น ไม่ตระหนักแล้วก็ไม่ทราบในเรื่องนี้หรือไม่ไม่อยากที่จะรู้ในเรื่องนี้นะครับในย่ถัดไปนะครับวลามมาบะละก็อชุดบาฮูวัสตาวะอาอตนาฮกมาอิลมานะครับการถูกเลี้ยงดูนะครับนบีมูซาที่ถูกเลี้ยงดูในการปกป้องดูแลของทหารของเฟร์อาลและก็แน่นอนอย่างยิ่งครับเจริญ เ, เติบโตมานะครับจากในวัง ในขณะที่ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบหรืออยากจะอยู่ในวังแต่ยอย่างไรแต่ด้วยกับการถูกเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆนะครับดังนั้นพี่น้องลองมองภาพนะครับว่านบีมูซากลับบ้านของตัวเองคือบ้านของแม่นะครับซึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างตรงตงได้นะครับแต่การที่ไปมาหาสู่เลยไปมันเป็นอะไรที่เรียกกันว่าไม่มีทหารหรือไม่มีอะไรที่จะมาห้ามได้ และเป็นที่รู้จักกันว่าบ้านหลังนี้ได้เลี้ยงดูลูกบุญธรรมหรือคนที่เฟี้เอาหรือคนที่กษัตริย์หรือคนที่ปกครองเมืองปกครองประเทศได้สั่งใช้หรือได้มอบหมายให้บ้านหลังนี้ต้องดูแลอย่างดีในขณะเดียวกันทหารหรือคนบริวารทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่นะดังนั้นสําหรับนาบีมูซาจึงเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ า, าไปมานะ เข้าในวังออกในวังแล้วก็เดินทางมาที่บ้านของแม่แท้ๆนะครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ไม่มีข้อห้ามหรือไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับฝ่าละมาบะละก็อชุดะหูวัสวาอาตยนาหกมาวะอินมาแล้วเมื่อนบีมูซาบรรลุถึงการเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าโตเต็มเต็มวัยนะครับ นะบางรายงานนะครับที่บอกว่าท่านนบีมูซานั้นถึงวัยอายุสี่สิบพี่น้องลองดูนะตกึ้เต็มวัย อ, อยู่วัยชะกันอายุสี่สิบอายุสี่สิบเนี่ยท่านนบีมูซาก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีเหมือนกันนะครับนะเหมือนนบีมูฮัมมัด ส, สุลลัลวะฮ์อะลัยวะสัลลัมเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนบีมูซาโตขึ้นแบบเต็มวัยพูดง่ายว่ามีความรับผิดชอบมีการ ความคิดที่ที่กว้ า, ขวางขวางนะครับพระออลสุตลาได้ให้นะครับได้ให้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้ให้ความรู้แก่นบีมูซา ค, ความเข้าใจว่ า, อ, าอะไรมันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรสถานการณ์นะแน่นอนนะครับว่าการทำอะไรที่มันข้านต่อหลักการอิสลามนาบีมูซาไม่เห็นด้วยและก็ไม่ปฏิบัติ เป็นท่ายุคนี้เราเรียกว่าเป็นนิสยัยหรือเป็นความต้องการนะครับของเด็กที่อาจจะรู้สึกไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะโดยที่ยังไม่ยังไม่คิดและยังไม่ตรหนักว่าทำไมถึงไม่เหมือนเด็กทั่วไปทำไมถึงไม่เหมือนเด็กที่เขาอยากจะได้ของเล่นอยากจะได้ของนูน่นนี่แล้วเวลาโตขึ้นมีอำนาจอยู่ในมือน ะ, อะเบื้องหลังของเขาก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่คอยสนับสนุนแต่นบีมูซาไม่ ไม่แบบนั้นนะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นด้วยนะครับนะ่ะเอาล็อกุูพาณหัวตลาได้ประทานความรู้ได้ประทานความเข้าใจให้กับนบีมูซาหนะัวกะแดริกานาจุิ ล, ะนะลมอสินีนและเช่นนี้แหละนะครับบรรดาผู้ที่ทำดีทั้งหลายนะี่ยจะได้รับรางวัล น, นะในเรื่องราวที่ดีๆนะครับ ครับพี่น้องครับดังนั้นจะเห็นนะครับว่าเรื่องของความรู้ความเข้าใจจึงเป็นจุดแรกเลยนะครับที่จะทําให้คนคนหนึ่งได้เข้าใจถึงบริบทของสังคมได้เข้าใจถึงการปฏิบัติการอยู่ร่วมสังคมมันเป็นอย่างไรไม่ใช่เราจะต้องล้อตามเขาหรือไม่ต้องเห็นด้วยตามเขาแต่ด้วยกับความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือในความรู้ที่แท้จริงหรือในความเป็นจริงนะครับของอะไรฮะของชีวิตนะว่าใครคือผู้สร้างที่แท้จริง ใครคือผู้ที่ย่อเลมแล้วก็ททั้งหมดเหล่านี้ต้องมาจากการศึกษารือความรู้ทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะนี่พวกกันก็ยังไงก็ได้ถึงผิดก็ถูกถึงถูกก็เยี่ยมไม่ใช่นะครับแต่ต้องวางอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องนะของการไม่อารทำต่อคนอื่นนะครับดัง น, นั้นท่านนบีมุาสาอะลัยฮิสลานะได้ถูกมอบหรือได้ได้เอาล็อกสุภานโนตลาได้มอบ ความรู้ความเข้าใจให้กับนบยบูซาแล้วก็แน่นอนอย่างยิ่งเช่นนี้แหละนะครับผู้ที่ทำความดีทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติตัวดีทั้งหลายก็จะได้รับรางวัลหรือเส้นทางไม่แตกต่างกันก็คือพูดง่ายว่า a l l a ได้ประทานสิ่งที่ดีให้นะครับต่อมาเ็ว่าวาดะคะลัดดีนตะลาฮินกัฟเลตินมินอัลิยาท่านนบยบูซาล ل ي ه ا ل س ل ا นะครับเมื่อ ก็เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมดาที่นบีมูซาก็เดินไปในยาม <c oughs> เขาเรียกว่าในช่วงของอสายๆนะบ่ายๆที่เขาคนกําลังพักผ่อนอเป็นเรื่องปกติที่เขาก็พักผ่อนตามบ้านหรื อ, อตามที่ต่างๆที่เขาคิดว่าจะได้เป็นพื้นที่ที่เขาได้พักผ่อนได้นะครัที่นบีมูซาเดินอยู่ในเมืองนั้นก็ทําไมครับเห็นชายสองคน เห็นยายชายสองคนทะเลาะกันเจอชายสองคนเนี่ยทะเลาะกันนะในช่วงของหลายๆคนนะหลายๆที่เขากําล anyway ังทํำไมครับพักผรนะในช่วงของช่วงบ่ายช่วงสายช่วงบ่ายเนี่ยมันเดียวมันร้อนนะฮะก็แยกยังกับพักผ่อนที่เราเรียกว่ากอยรูละเนี่ยนะแต่เจอสองคนนี้คนหนึ่งเป็นใครครับคนหนึ่งเป็นชาวบรนิอุสรอยน์นะ เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าเชื้อสายเดียวกับท่านนาบีมูซาอะเลฮิสลาบนะอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนกิปตินะเป็นเชื้อสายของพวกเรานะทะเลาะกันนะมีปากมีเสียงกันลงไว้ลงมือนะครับที่บอกฟาวยะดาฟาวัจดาฟีฮาเราอยู่ไลน์นีย่า ต, ติรนะันะทะเลาะกันนะฟาฮาดะมินชีอัติฮิวฮาดมินอด คนนี้มาถึงอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่าฝ่ายหนึ่งไหมอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มาจากเผ่าเดียวกับนบีมูซาก็คือบันิอิสรอยและอีกเผ่าหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็มาจากเผ่าที่เป็นศัตรูศัตรูกับอิสลามศัตรูกับนบีมูซาก็คือชาวกิฟตี้นั่นนี่พูดง่ายว่าทหารกรองเฟรนเอาแล้วกันเอาฝ่ายหนึ่งเป็นประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทหาร หรือเป็นคนที่มาจากตระกูลเดียวกันกับเฟรัลนั่นเองนะครับเชื้อสายก็เลยเชื้อสายเดียวกันที่ไม่ใช่บันิอิสราเอลนี่นะครับก็มีการทะเลาะเบาเวีกันฟาสตาฟสตาอาฟาุลลฟสตากัฟาุลละีมินเชียติฮิอัลลละีมินอูบีนบีบูซาจึงคิดว่าต้องการช่วยช่วยใครนะครับช่วยฝั่งที่เป็นบันิอิสราเอล ตรงนี้น้นครับด้วยกับการเป็นด้วยกับการเห็นบรรยากาศหรือเห็นสภาพของบนิอิสรอรอีในยุคนั้นที่ถูกกดขี่มเหงทำเหมือนเยี่ยงสัตว์เดราชานนะครับมไม่เคยเห็นเกียรติและไม่เคยให้เกียรติกับบนิอิสรอรอีซึ่งเป็นวงตระกูลของดบีิโมซาอิะละิศาลก็จึง เข้าใจแล้วก็จึงเห็นว่าเมื่อมีการทะเลาะเกิดขึ้นระหว่างสองคนที่มาจากสองเผ่าสองวงตระกูลนี้ถ้าเราจะช่วยใครก็ต้องช่วยคนที่มาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะท่านนาบีมูซาอะาเลซามจึงได้ดตัดสินใจที่จะช่วยคนที่อยู่หรือคนที่มาจากบันิอิสราเอลนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ถูกรังแกถูกเหยียดหยามก่มเหงนะครับ ฟะวกะซะฮูมูซาฟะกบะลหโหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเมื่อน บ, บีมูซาได้ชกไปหนึ่งมัดนะครับด้วยการที่จะพูดง่ายว่าปกป้องช่วยเหลือคนที่เป็นบรรณอิสรา อ, อีนซึ่งเป็นอยู่ในเผ่าเดียวกันนะครับฟะกบอลหพูดง่ายว่ามัดเดียวน็อกการอากาศเลยตายเลยครับ คนที่ถูกนบีมูซาชกนั้นตายาเมื่อเห็นเหตุการณ์คือไม่ใช่สลบไม่ใช่ว่าชกทีเดียวแล้วก็มึนแล้วก็สลบไปเปล่าเลยครับเสียชีวิตลง ท, งทันทีท่านนาบีมูซาจึงได้บอกว่ากอลฮะเดมินอามริเชต่อนให้เพึ่งรู้ไว้ว่านี่คื อ, อ, อการงาน น, านี่คือผลงานของเชต่อน ทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะศา ส, สดาหรือรอซูลทุกคนทุกท่านนะอิสลามไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการขีนฆ่าให้มีการล้างแค้นแล้วก็ต้องปิดชีพอีกฝ่ายหนึ่งแต่การที่นบีมูซาชกไม่หนึ่งหมัดแล้วเสียชีวิตไม่ได้เจตนาที่จะต้องการฆ่าเตาเลยนะครับ เป็นเจตนาต้องการที่สยบความอาหารกาของทหารของเิรเอาเท่านั้นเองแต่มันอาจจะเกินเลยอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะเกินเลยในในจุดที่ควรจะเป็นนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ a l l a h a z a m อ n a m u l s h a i n i n n a h u a g a i n n a h u a d i l l u m u b i อัลลอฮ์สุบฮานอตาลบอกามาในอามลชัยตอนว่านบีมูซาได้กล่าวบอกว่า นะหลังจากเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราไปชกไปช่วยแล้วเนี่ยเขาตายนะเมื่อตายเสร็จอัลลนะนะนะบีมสุสลิมจึงกล่าวว่าฮาดามินอามันอิชัยอนนี่คืออมันนี่คือการยุ <c oughs> นี่คือการหลอกลวงของชัยตอนนะ <c oughs> ทำไมอย่างนั้นครับเพราะถ้าเขาเสียชีวิตการกลับตัวกันนะไม่มีแล้วนะชัยตอนชอบ ชอบอะไรครับชอบให้ทุกคนยังไม่เตาบบ้าตัวยังไม่กลับมากลับเนื้อกลับตัวมาศรัทธากับเรียญสูญของพวกเขานะั่นหมายความว่าการที่เขาไม่มีโอกาสและเขาตายหรือเสียชีวิตลงท่ามกลางการที่เป็นชิริกตั้งภาคี ต, ต่อล็อกสุภานน ต, ตลานั่นหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์อย่างชัดเจนนะ นะดังนั้นนบีมูซ่าจริงได้บอกว่าละฮะเราไม่เอาเลยเชตตอนอินนหูอัลูบุลโมดิลลุมโมบินแท้จริงมันคือเชตตอนเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจศัตรูที่พยายามทําให้เขาหลงผิดอย่างชัดเจนเห็นไหมนะนี่คือสิ่งที่นบีมูซาอัลลอฮิสซาลาหได้เจอกับตัวเองสถานการณ์อย่างนี้เจอขึ้นถ้าเราฟังดูมันไม่มีอะไรนะดูเหมือนก็ธรรมดาฆ่าคนตายหนึ่งคน โนะชคไปไม่ตั้งใจแล้วเสียชีวิตหนึ่งคนก็มันเป็นอะไรที่ เ, เราจะต้องหันกลับมามองนะหันกลับมาดูตัวของพวกเราจากอายะ q u r านที่บอกไว้นะจากอายะ q ร r a n ที่ยกให้เราดูนะครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนะการที่เราจะช่วยเหลือหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคำหนึ่งถึ ง, องลอกหลักการ ว่าอิสลามบอกว่าอย่างไรนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์สุบฮานอุตาลาได้บอกว่าท่านนาบีมูซาได้กล่าวต่อเนื่องนะฮะอย่างจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับว่าอินนหูอัลูมุโมดิลุมโมบี น, นแท้จริงเฟรตเอนั้นเป็นกลุ่มชนเฟรเอนั้นเป็นบุคคลที่ อ, อหังการนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ยอมให้ใครมาทาร้ายคนของตัวเอง นะครับนบีมูซาอัลลอฮ์บอกนบีมูซาได้กล่าวว่าก้อลอรับบิอินนียอลัมตุนักซีโอ้พระบุญของฉันฉันได้โอลิมได้อธรรมกับตัวเองหมายถึงได้ไปได้ไปอธรรมกับคนอื่นเนี่ยแหละก็คืออธรรมตัวเองนะฟ้าเฟิรลีฟอร์รลขอลูกโทษขออภัยโทษจากอัลลอฮสุภ า, าตะลาจะเห็นนะครับว่าการทาผิดและรู้ว่าผิดนะต้องรีบ ขออภัยโทษจากองค์สุภานหัวตาลานะและพระองค์ก็อภัยโทษให้อินนาหูวหุ่นหัวฟู ร, รัวหีมพระองค์ผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตายิ่งนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับว่านบีมูซาอัลฮิซลามถึงแม้นว่าจะทำโดยที่ไม่เจตนาจะทำโดยไม่ดีมีความตั้งใจแต่อย่างใดเลยนะครับเนดความตั้งใจล้วนๆในการช่วยเหลือในการปกป้องวงตระกูล นะหรือบุคคลที่อยู่ในการ อ, อยู่ในในเผ่าเดียวกันเนื่องจากทาหารของเฟรรอนหรือตัวเฟรรอนเป็นผู้ที่เขาเรียกจับบา้อาอหาังกานะเป็นผู้ที่ซอ้อนเหมเป็นผู้ที่ไม่คำนึงถึงความยุติธรรมนะดังนั้นใครเห็นอะไรอย่างไรก็มีโอกาสก็ต้องต้องเขาเรียกปรับตามนะไม่ให้ไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขา ทำอะไรก็ได้เหนือทุกคนอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะได้ฆ่าสังหารแต่เมื่อมันพังมือไปนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ต้องบอกนะครับจะไม่ได้โทษใครเพราะคนนั้นเพราะคนนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะได้ได้จากอายะครุศาสร์นะครับที่บอกว่าเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยเราไม่ได้โทษคนอื่นนะครับแต่เรามองตัวเองว่าเราพลาดทั้งไปในเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็หน้าที่คืออะไรครับขอลูกก้ขออภัยโทษจากโลกโซตัลลาและพระองค์จะอาภัยโทษให้ นะครับและพระองคอภัยโทษให้เพราะแท้จริงพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตายิ่งนะครับอายะทัศน์ไปอัลลอฮฺสุภาโนตลาได้เล่าและบอกกับพวกเราทั้งหลายว่านาบีมูซาอย่างได้ขอเพิ่มเติมนะแท้บอกว่ากอลารับบีบีมาอันหนามใจและอี๋โอ้อัลลอฮ์นะหมายถึงนบีมูซาได้กล่าวว่าข้าแต่พระอวยรของเจ้าหมายถึงโอัลลอฮ์นะโอ้พระอวยพของของฉันนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ ได้โปรดปานได้เมตตาฉันนะได้ให้ฉันในสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายฟารันอากูนซะวฮิร ล, ลินมูจริมีนนะดังนั้นอย่าให้ฉันนะอย่าปล่อยให้ฉันได้เป็นผู้ที่สนับสนุนในการทําผิดแต่อย่างใดเลยโอ้โหมีนังดูนะอย่าให้ฉันได้มีช่องทางหรือโอกาส ในการที่จะไปสนับสนุนช่วยเหลือคนทำผิดเลยเป็นการขอเป็นการบอกและเป็นการต้องการออกห่างจากสิ่งที่มันทำร้ายตัวเองหรือสิ่งที่มันผิดต่อความการยุติธรรมการเพราะการอาธรรมคนอื่นหรือการสนับสนุนในการทำอาธรรมกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมและก็ไม่ได้สอนด้วยนะฮะดนั้น คำขอของนบีมูซาอเลสลับคำขอหรือคำวิตกหรือคำกลัวที่มันจะเกิดขึ้นในครั้งที่สองน ะ, ะของนบีมูซาอเสจึงได้วิงวงขอต่อลอ็อกซูพาหัวตาลาว่าอย่าได้ให้เขานั้นเป็นบุคคลหนึ่งและส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโดยตรงนะฮะของอผู้ที่ทำความผิดทั้งหลายด้วย นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะได้จากองค์การไอยากราในเรื่องราวของนบีมูซาอะลสลานะครับเอาละครับพี่น้องเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับาลามอะลัยกุมระหมัดุลลอฮ์วบาระกะต